สมมาประธานสั่งยุติประมวลเรื่องสมมาประธานสี่คือเพียรป้องกันบาปอกุศลเพียรละบาปอกุศลเพียรเจริญกุศลธรรมเพียรรักษากุศลธรรมกล่าวว่าสมมาประธานสี่นี้จะเจริญได้ดีต้องอาศัยพื้นฐานเหมือนคนจะทํางานที่ต้องใช้แรงทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยแผ่นดิน คือจะทำนาทำไร่สำเร็จก็ต้องมีที่นามีไร่พระสังยุตธ์ประมวลเรื่องพระห้าคือธรรมะที่เป็นพลังได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญากล่าวว่าพระห้าทำให้บรรลุพระนิพพานและสังโยชน์เบื้องต่ำ สั่งยุ์เบื้องสูงและบรรลุนิพพานได้อิทธปาะสั่งยุดประมวลเรื่องอิทธิบาทสคือธรรมะให้บรรลุความสาเร็จได้แก่ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสากล่าวถึงอิทธิบาทที่เจริญมากแล้วทำให้เกิดฤทธิ์ต่างๆทำให้อายุยืน สามารถต่ออายุได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งดังที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรทำให้บรรลุเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเป็นต้นจะขอนำมาแสดงเพียงบางสูตรหนึ่งพรหมณสูตรพรามชื่ออนุนาภถามพระอานนท์ว่าประพฤติรมจันเพื่ออะไรพระอานนท์ตอบว่า เพื่อละฉันทะพรามถามว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างไรพระอานนท์อธิบายว่าต้องเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิและประธานสังขารคือจิตเป็นสมาธิตั้งใจไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นในใจตั้งใจละบาปอากุศลตั้งใจทำกุศลธรรมให้เจริญตั้งใจรักษากุศลธรรมที่เกิดมีแล้ว เรียกว่าประธานสังขัญพรามถามว่าในอิทธิบาทก็มีฉันทะใช่หรือไม่การอาศัยฉันทะละฉันทะดูไม่น่าเป็นไปได้พระอนุนตอบว่าก็เหมือนคนมาวัดตอนแรกก็พอใจว่าจะมาวัดรั้นมาถึงแล้วความพอใจนั้นก็ระงับมีความพยายามจะมาวัดมาถึงแล้ว ความพยายามก็ระงับไปตั้งใจจะมาวัดพอมาถึงแล้วความตั้งใจก็ระงับไปพิจารณาไตรรองว่าจะมาวัดพอมาถึงวัดแล้วความพิจารณาไตรรองนั้นก็ระงับไปพระอรหันตขีนาศพก็พึงทราบโดยในเดียวกันเบื้องต้นก็มีความพอใจเพื่อบรรลุอรหัด เม e. <äche> ื่อบรรลุแล้วความพอใจก็ระงับไปเบื้องต้นก็มีความเพียรเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุแล้วความเพียรก็ระงับไปเบื้องต้นก็มีความคิดเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุแล้วความคิดก็ระงับไปเบื้องต้นก็มีความตริตรองเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุแล้วความตรีตรองก็ระงับไป 2. อ, อโยคุลสูตรพระพุทธเจ้าทรงบอกพระอานนท์ว่าพระองค์สามารถไปพรมโลกได้ด้วยใจด้วยอิทธิฤทธิพระอานนทูลถามว่าไปทั้งกายอันประกอบด้วยมหาปูตรูปนี้หรือคือกายเนื้อที่มีธาตุสีน่นี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าใช่จึงสงสัยว่าจะไปได้อย่างไร พระองค์ทรงอธิบายให้เธอฟังว่าทรงตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตลงที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาละหุสัญญาสำคัญหมายว่าเบาสบายแล้วร่างกายก็เบาลอยไปได้ดุดเหล็กเผาไฟทั้งวันย่อมเบากว่าปกติดุดปุยนุ่นปุยไยลอยขึ้นในอากาศได้ง่ายฉะนั้น อนุรุท ธ, ธสั่งยุติประมวลเรื่องพระอนุรุตพระเถระรูปนี้เป็นพุทธอนุชาได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตตัคขะในทางผู้ได้ทิพยจักสุในสั่งยุตินี้เป็นประมวลเทศนาของท่านที่แสดงแก่สาวกรูปอื่นๆเกี่ยวกับสติปัฏฐานสท่านว่าท่านได้มหาอภิญญาเพราะเจริญสติปัฏฐาน ภิกษุที่เจริญสติปัะฐานมากๆจะไม่ลาสิกขาและจะระงับทุกขเวทนาได้ชาณะสังยุตประมวลเรื่องชาญคือการเพ่งอารมณ์จนจิตสงบได้ชาญที่หนึ่งถึงที่สอาณาปาณะสังยุตประมวลเรื่องอาณาปณาะาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก กล่าวถึงวิธีเจริญอาณาปานสติอานิสงส์สองคือบรรลุอรหัตในปัจจุบันหรือไม่ก็เป็นอนาคามีและอานิสองส์อื่นอื่นอีกโสตาปฏิสังยุตต์ประมวลเรื่องพระโสดาบันว่าด้วยองคุณของพระโสดาบันสี่ประการในวงเล็บศรัทธาศีลปสาทะ เท่ากับความเลื่อมใสธรรมานุธรรมะปฏิบัติเท่ากับปฏิบัติธรรมตรงเป้าหมายสโสวตาปฏิยังคะสี่ได้แก่สัพ ป, ปริสูปสังเสวะคบคนดีสัทธธรรมะสวนาฟังธรรมะโยนิโสมนสิการคิดวิเคราะห์ธรรมานุธรรมะปฏิบัติหมายถึงโลคุตระธรธรม ได้แก่มรคนิพพานสัจจะสังยุตประมวลเรื่องสัจจะหรืออริยสัจสี่ธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรหรือปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีบันทึกไว้ในสังยุต์นี้มีสูตรที่น่าสนใจดังยกมาแสดงไว้ต่อไปนี้หนึ่งวัชีสูตร ขณะประทับอยู่โกติคามแขวนวัชีพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่แทงตลอดอริยสัจสี่เราและเธอทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข อ, อริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจ นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายได้แทงตลอดแล้วปัญหาในภพขาดศูนย์แล้วปัญหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มี 2. สีสป่าสูตรขณะประทับหน้าสีสปาวันซึ่งแปลกันว่าป่าสีเสียดบ้าง ปาประดูลายบ้างทรงหยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วตรัสถามว่าใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์กับใบไม้บนต้นไม้อย่างไหนจะมากกว่ากันเมื่อเหล่าสาวโกราบทูลว่าบนต้นไม้มากกว่าจึงตรัสว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วมีได้บอกพวกเธอมีอีกมาก เพราะเหตุไรเราตถาคตจึงไม่บอกเพราะไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานสิ่งที่บอกเธอคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคเพราะมีประโยชน์เป็นไปเพื่อนิพพาน